أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص, على و ص ل إن أن ص و รับบิลกาลามีนอัล م อฮ م นะศัลล ل ์วัส ا ิมับ م ริกัลนบิญะโมฮัมด์นะัลอาลี์วัอซ์ฮับีะฮีะ م الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ว่าลูกอด ل ต ا ิลสานิข م อว่าของ ا ن นอาล ف ย์อัลลอฮ์นำฟะเ ل ะบีม ا เ ن มต์เนะว ن าเล م ا นะบีน م ฟะเ ن ะว่าจีดเ ل م กลิ ر นเ ا ะรับเนะบีนำฟะเนะบีนำฟะเนะบีนำฟะเนะบีนำฟะเนะบีนำฟะเนะบีนำฟะเนะบีนำฟะเนะบีนำฟะเนะบีน ت ฟะเน ที่เราได้เดินทางมาพร้อมๆกับแนะมัดของพระองค์แลารมัดของพระองค์นะครับวันนี้คืนนี้น่าจะเป็นคืนสุดท้ายของเดือนยูมาเดลอาคิรอพรุ่งนี้วันต้าตามปฏิทินก็คือสามสิบยูมาเดลเซนี่หรือยูมาเดลอาคิรอวันเสาร์ก็จะเป็นวันที่หนึ่งรยับแล้วอัสลาลา เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างถ้ายังไม่รู้สึกก็ต้องรู้สึกแล้วว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับเดือนระมาดอนรู้สึกดีใจนะครับรู้สึกดีใจที่อินชาอัลลอฮฺปีนี้ระมาดอนจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งระมาดอนชีวิตชีวาของระมาดอนนั้นจริงๆแล้วมันมีชีวิตด้วยอัลกุรอานอันนี้ต้องบอกต้องย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่ง น, นะครับ รมฎอนชีวิตชีวาของรมฎอนสีสันของรมฎอนที่แท้จริงก็คือการที่เรามีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานดังนั้นก่อนที่รมฎอนจะมาเราอยากจะให้พวกเร า, เ, าเขาเรียกว่าอุ่นเครื่องหัวใจของเรากับอัลกุรอานสักนิดหนึ่งเดือนรอยยับมานะครับในอดีตนั้นพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับที่เขาบอกว่า าชาวซาลักษ์เ อ, อ, อกราณชนบ้านพระบุรุษอิสลามในอดีตนั้นเขาถือว่าเดือนรับ jab เนี่ยเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกเดือนชาบานเป็นเดือนแห่งการรดน้ําตวนดินส่วนเดือนระมาดอนเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวอย่ายของเราอย่าให้เป็นรอปลูกระมาดอนสีเดียวเลย เราต้องเริ่มปลูกต้องเริ่มเตรียมดินตั้งแต่รอจับนะครับให้หัวใจของเราเริ่มคุ้นกับการได้อยู่ในชีวิตอยู่กับอัลกุรอานให้มากที่สุดอัลลอฮฺมะอินนาอัลาฮาลิกอัลลอฮฺมะอินนาอัลาฮาลิกทีใจนะครับอินชาอัลลอฮฺซุบฮานะฮะละวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอิบราฮิมาตามที่เราได้เริ่มไปแล้วตอนที่หนึ่งนะครับในสุรทุลฟุรควานเราอ่านไปแล้วอยันที่หกสิบเอด 62สิบสองเราวันนี้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่อายัตหกสิบามเลยนะครับเริ่มต้นเรื่องของอิบาดูรักมานเลยนะครับต่างเปิดมาชีที่แจกไปอายัตที่หกสิบสองจากสุรทุลกุ ร, รอนอายหกสิบสามหกสิบสามทุีมา <c oughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون و َإِذَا خَاقَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ّว َالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ س ُ ج َّ د َ و َ و َ ق ي ا م وال َّ ذ ي ن يقولون ربنا صرف عن عذاب َ جهنم عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ م ُ س ْ ت َ قر ا وَمُقَامًا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قواما الحمد لله ฮะอ้ายตก่อนนะครับฮกซิบสามฮกซิบส <حد th absurd> ี่ฮกซิบฮะหกซิบฮะฮกซิบเ็อินาอัลฮ ا ل ح م د لله กลุ่มอายต์ عباد ุลราะห์ مان ในความรู้สึกก่อนนะครับ ผมมีความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในจำนวนกลุ่มอายัดที่มีความสวยงามมากอ่านแล้วมีกำลังใจยิ่งศึกษายิ่งทำความเข้าใจยิ่งแต่ดับบทแล้วเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกรักอัลกุรอานแล้วก็มีความรู้สึกถึงคุณค่าของมันจริงๆแม้ว่าจนกระทั่ง วินาทีนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะรับประกันตัวเองเราเป็นหนึ่งในจนํานวนอิบาดุรรัสมานี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวพี่น้องจะได้รู้นะครับว่าคุณลักษณะของอิบาดุรรัมานั้นเป็นอย่างไงมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าใครๆก็เป็นได้นะครับต้องฝึกฝนแค่ไหนต้องใช้ความพยายามแค่ไหนเดีย๋ยวเราจะได้รู้กันอย่างที่เราบอกไปแล้วในบทนำตอนที่หนึ่งบอกว่าตําแหน่งนี้ที่เอ า, าล่องสุภานณวัฏจาราให้กับบ่าวของพระองค์เนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะเจาะจงกับคนคนหนึ่งไม่ใช่ใครก็เป็นได้แต่ใครก็เป็นได้ที่นี้เนี่ยไม่ได้ว่าให้ง่ายๆนะเอามาใครอยากจะได้ตําแหน่งนี้มาฉันจะให้เธอฉันจะให้เธอฉันจะให้เธ อ, เธอไม่ใช่นะคนที่อยากจะได้เนี่ยต้องทํายังไงถึงจะได้มีสิทธิ์ที่จะได้ไหมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ ไม่ได้จำกัดสิบเหมือนโครงการบางโครงการของรัฐบาลบางรัฐบาลอันนี้คือใครอยากจะเป็นก็เป็นได้หมดแต่อยู่ที่อยู่ที่ใครอยู่ที่คนน่ะอยู่ที่ตัวเราว่าอยากจะเป็นหรือไม่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราก็มีความหวัก มีความรู้สึกชื่นใจหรือว่าใจชื้นอยู่เสมอไวล้วก็ เ, เอา อ, าาอาันอัจเหล่านี้อิชอัลลอฮ์ขออุดมอาให้เราแต่ละให้เราได้เป็นสักหน่อยเถอะอาจจะไม่เป็นร้อยเปอร์เซน์อาจจะไม่ได้บรรลุถึงคุณลักษณะทั้งหมดร้อยเปอร์เซนแต่อย่างน้อยก็ให้มีให้มีเปอร์เซนต์ได้เป็นส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะต่างๆที่เราแต่ลาพูดถึงอิบราฮิมรักมางของพระองค์ด้วยเถอะอัะลลอฮฺอัลลอฮนะนะอัลลอฮ์เอาเริ่มต้นยังไง หลังจากที่พูดถึงกลางวันกลางคืนเสร็จสับเรียบร้อรนี่แหละที่ผมบอกว่าเอาละที่เราอ่านตั้งแต่ยันหกสิบเอ็ด 61, ซึ่งดูผิวเผินอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอิบาดุรหมานแต่ถ้าเราเข้าใจทําความเข้าใจลึกๆสังเกต ด, ดูให้มันลึกซึ้งเนี่ยเราจะเห็นว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยมีมีความเกี่ยวโยงกับคุณลักษณะของอิบานุรหมานโดยตรงเพราะชีวิตของอิบานุรหมานก็คือชีวิตที่ใช้ทั้งกลางวันและกลางคืน ให้เป็นประโยชน์ดิมันอาราดะอันยาแซกกอรอาอาราดะชูรคนที่ใช้กลางวันและกลางคืนนี้เป็นประโยชน์ก็คืออิบาดุลราะมานใครอยากจะใช้กลางวันและกลางคืนนี้เป็นประโยชน์เขาต้องเป็นอิบาดุลราะมานให้ได้คนที่เป็นอิบาดุลราะมานคือคนที่ใช้กลางวันและกลางคืนที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะลาประทานมาได้คุ้มแค่ที่สุดอ่ามาเริ่มต้นกันเลยวะอิบะดุลราะมานดู พูนลักษณะแรกเริ in in ่มต้นอธิบายละและบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์มัลลอห์อักบารอิบารเป็นพระหูพจน์จากคาว่า ع ب ถ้าคนเดียวใช้คาว่า عبدعبد ุลรอฮ์มาน عبد ุลรอฮ์มานเป็นชื่อที่อัลลอฮ์ประหลารักที่สุด أحب الأسماء إلى ل ه عبد ุลลอฮ์และ عبد ุลรำมานมีใน حديث นะครับเรือคําว่าที่อัลลอฮ์สั่งที่อัลกุรอานที่อัลกรานที่อัลกุรากที่สุดกคือชื่อับดุรอานกับอัลกุรอานที่อัลกุรอานที่อัลกุานทลกุรานที่อัลกุรอานที่อลกุรอนที่อัลกอานที่อัลกุรานที่อัลกรอานที่อัอนี้สวยมานอลอานุรานอัลกอานอลกุ่านวลาที่เราจะขอดุอานี่ย ขอจาก Allah ใช้ชื่อ Allah ในการขอดูอา่ายะ Allah หรือชื่ออัลลอฮ์มานก็ได้ให้หให้เราเคยขอไหมเวลาที่เราขอดูอาจากล l l a h เนี่ยนอกจากเราจะขอว่ายอะ Allah ใครเคยขอบ้างกับชื่ออัลลอฮ์มานยะอรลลอ์มานเราเคยขอไหมใช้ได้นะครับเนี่ยเป็นถูกระบุในไว้ในคำพิกลอ่ะแต่เราให้ใช้ชื่ออัลลอฮ์มานในการขอดูอาต่อพระองค์เพราะอัลลอฮ์มานเนี่ย หมายถึงความเมตตาผู้ที่เมตตาปราณีทุกอย่างในในจักรวาลนี้ลว้วนแล้วแต่เวียนว่ายอยู่ในความเมตตาของลระสุภานวะตะลาทั้งสิ้นมีการมีการอธิบายด้วยนะครับว่าทำไมพระองค์ถึงใช้คำว่าอัราะห์มานตรงนี้ทำไมพระองค์ไม่ใช้ว่าอิบะดุลลอฮ์อิบะดุลกะรี อิบาดุลฮักกีซึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นชื่อของละตัลลาด้วยเช่นกันทำไมละตัลลาจงึงเจาะจ ง, จ ง, จงเอาชื่ออัลรอห์มานมาแปะไว้กับบ่าวกับตำแหน่งของพระองค์ตรงนี้มีคำอธิบายด้วยนะครับอธิบายจากเชคอสซาดีท่านบอกว่ายังไงนะท่านบอกว่ า, าว a ล i h าจา อ ضاف ์เขาให سم ิ้ออัลราะห์ม ا น์อิชา ا ์ตันอีลาอันนั้นห์อินนัมวัซลุอีลาฮัซฮิ์อัลบิสับบาะมติอัลลแหน่ง ب อัลราะห์มานทีรูจัได้ตรงนี้เนี่ยได้มาด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตะอัลละตำแหน่งนี้เป็นตาแหน่งที่สูงเราต้องพยายามแต่ความพยายามของเราสายเดียว ไม่สามารถทําให้เราบรรลุถึงตําแหน่งนี้สิ่งที่จะผลักดันให้มนุษย์คนหนึ่งบรรลุถึงตําแหน่งนี้ได้เนี่ยตําแหน่งอโบเดียตําแหน่งการเป็นบ่าวของลัทธิสุภานอจาราที่พระองค์โปรดปรานเนี่ยต้องมีรัฐบัตรจากลัตตาลาอยผลักดันและอุ้มชูด้วยใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้เลยในโลกดุนีย์นี้ เราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความเมตตาของร้องสุบฮะตะอัลาเป็นไปไม่ได้เราจะเป็นบ่าวที่ดีขอตอัลลาห์ในโลกโดนุนยานี้เพียวเพียวด้วยความสามารถของเราเพียวเพียวไม่มีทางในวันอัคยร์เราจะเข้าสวรรค์ของร้องสุบฮานอวลตะอัลาไม่มีทางอีกที่เราจะเข้าด้วยอัมมัลของเราเราจะเข้าสวรรค์ก็ต้องพึ่งความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานอัลตะอัลาเพราะฉะนั้น การเอาอัรลอห์มานชื่ออัรลอห์มานเอามาติดกับตำแหน่งนี้จึงจึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งจะให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นบ่าวที่ดีของละตัลลาเนี่ยก็เป็นความเมตตาของละตัลลาเช่นเดียวกันเราต้องพึ่งความเมตตาของละตราลาในการที่เราจะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮ์มีความหมายหมดเลยทุกคำทุกสิ่งที่ละตัลลาเอามาใส่ในคำภีของละตัลลาเนี่ย มีความหมายทั้งสิน้นมีอิทกมัมอยู่เบื้องหลังทั้งสิน้นมาช ا อัลลอฮ์นะ وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام الله أكبر เริ่มต้นด้วยคุณลักษณะที่ถ้าเราคิดไปเองเนี่ยเอมันไม่น่าจะเริ่มต้นอย่างนี้นะ บ่าวของลัทธิสุบฮานะวะตะอัลลถ้าเราคิดกับสมองเราเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นด้วยคุณลักษณะอะไรก่อนอะจะเป็นบ่าวของลัทธิอัลละห์ทั้งทีเนี่ยเอ้มันน่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการละหมาดให้เยอะใช่ไหมน่าจะเริ่มต้นด้วยการคนที่สิกเกอรเยอะๆน่าจะเริ่มต้นด้วยการที่ทําความดีเยอะๆแต่ไม่คุณลักษณะแรกของอิบาดุลรอฮ์มานที่อัลละห์ระบุ เริ่มต้นด้วยอะไรผล้ที่ยั่งยืนบนโลกดูสิความหมายาภาษาไทยเขาค่อย่ังไงอ่ะใช่เลยเองเริ่มต้นด้วยคุณลักษณะเดินบนหน้าแผ่นดินสุดฮาละัลลอฮคนที่เดินบนหน้าแผ่นดินด้วยความถวท่านั้น เดินคือบ่าวเพราะละตาลาไม่ใช่คนที่เก็บตัวอยู่ในถ้ำไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนที่จะมีตำแหน่งเป็นบ่าวที่สูงส่งเพราะละบ่าวตาลาเนี่ยต้องปิดตัวจากสังคมไปอยู่ในถ้ำบนภูเขาไปจำศีลอยู่ถึงจะเป็นบ่าวที่สูงส่งไม่ใช่คนที่เดินไปตามตลาดคนที่เดินทำงานคนที่เดินไปบนหน้าแผ่นดินตามปกติในแต่ละวันนี่แหละเป็นอิบาฮิอัลมาได ไม่ใช่ว่าต้องเป็นต๊ะวะลีไม่กินข้าวกินน้ำไม่ใช่คนที่เดินปกติคนที่เป็นมีชีวิตเป็นปุตุปุตุชนนะพปุถุชนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเรานี่แหละเดินไปเดินมานี่แหละบางทีเนี่ยพวกเราทุกคนนี่แหละยังชู้เห ล, ลอัเป็นคนธรรมดาสามัญแต่ การเดินของพวกเขาต้องเป็นการเดินที่เฮ้านาะเดินด้วยความอ่อนน้อมอัศกีอัศกีนะวลว่าการฮานั่นตรงนี้เดินด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เดินแบบยกตนข่มท่านหรือเดินแบบโอหังแบบวางมาสวางวางกลางปีกลางขากลางแขนแบบ เดินเหมือนกับตัวเองครับแผ่นดินอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เดินด้วยความรู้ตัวว่าตัวเองเป็นบ่าวขอล่องสุภานาวาตาอะไรเห็ไหมมันอยู่ตรงกลางนี่คือวิถีของอิสลามตรงกลางยังไงไม่ใช่คนที่ไปหลบอยู่ในถ้ำไปเลยไม่ใช่เป็นคนที่ใช้ชีวิตปกติแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตปกติแล้วแสดงความโอหัง แสดงความอาหังกาแสดงความ อ, อะไรเขาเรียกนะอิทธิพลแสดงความเป็นนักเลงบนหน้าแผ่นดินก็เล่าสมบตัติแหละไม่ใช่เป็นคนที่ใช้ชีวิตสามัญธรรมดาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนในขณะเดียวกันบางคนเวลาที่อ่านอายัดนี้ก็อาจจะแปลว่าต้องเดินแบบแบบแบบเหมือนคนป่วยไม่ใช่นะคำว่า ยำชูนะ่ะบนโลกดิเข้านาตรงนี้ไม่ใช่เดินแบบที่ร น, นนี่ที่รันนี่เหมือนคนป่วยก็ไม่ใช่เหมือนกันนะไม่ใช่เดินโอ้โหเดินสุภาพมากเลยเหยียบมดก็ไม่ตายอย่างนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรลองไปดูการเดินของท่านนาบีซลอละาะอะไงวะซัลลัมพอบางคนอ่านว่าจะเป็นอิบาดุลรักมานต้องเดินด้วยความอ่อนน้อมสุภาพเดินแบบค่อยๆเดินอนะ ค่อยๆวางเท้าไม่ใช่นะเพราะว่าการเดินของท่านนาบีนี่ท่านนาบีเนี่ยย่มชีกาอันนะฮูย่ำชีฟิซาบบ์เหมือนกับเวลาคนลงเขาลงเนินลงเนินเนี่ยมันต้องมันเร็วมันเร็วนะเวลาเวลาสม ม, มติมีเนินหน่อยๆมีทางลาดทางลาดเวลาที่เราลงทางลาดเราลงยังไงไม่ใช่เดินค่อยๆคือมันจะโดดมันจะเร็วอะ่ะท่านนาบีไม่ได้เดินช้าเพราะฉะนั้นคาว่าเดินแบบ มีสกีนะมีความนิ่งเนี่ยบางทีนิ่งไม่ได้แปลว่าช้าเข้าใจไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาคนขับรถโอคนนี้ขับรถนิ่งมากไม่ได้ว่าไม่ได้แปลว่าขับ20สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะบางทีขับขับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ขับนิ่งได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเอ้าเดินสุภาพนี่ต้องเดินชา้าช้าไม่ใช่ท่านอบีเดินเร็วและเดินอย่าแต่กระฟั แต่ะกั่วฝะนี่มายถึงว่าเดินยกเท้าทั้งสองให้มันขึ้นจากจากพื้นไม่ได้เดินลากเท้าเดินลากเท้ามีเสียงสู่สู้สู้สันนี้เดินเดินแบบลากเท้าแต่ท่านท่านอบีไม่เดินลากเท้าสุลต่านละอัลลามท่านเดินแบบยกเท้าแล้วก็เดินเร็วต้องเข้าใจยัมชู้นะอัลลอฮฺดีเฮานะหมายถึงเดินด้วยความนิ่งไม่มีความโอหังเดินด้วยความอ่อนน้อมความตนแต่ไม่ได้ว่า ไม่ได้แปลว่าเดินเหมือนคนป่วยไม่ใช่จะล้มแล้วไม่ล้มแล้วก็ไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจให้ดีอันดับแรกเริ่มด้วยการเดินเพราะอะไรเห็นไหมกลางวันเนี่ยสิ่งที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าพาราแกพาราะของมนุษย์ความเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการเดิน เพราะฉะนั้นคุณลักษณะแรกที่เราจะเห็นว่าคนคนหนึ่งเป็นบาวที่ดีของโลกของเรตายลาหรือเปล่าดูจากความเคลื่อนไหวของเขาก่อนความเคลื่อนไหวประการแรกก็คือการเดินของเขาเห็นชัดเลยสั ญ, ญลักษณ์ประการแรกว่าคนนี้เป็นบาวไอบาดรหมมาหรือเปล่าดูสิว่าเขาเดินยังไงความเคลื่อนไหวประการที่สองรองจากการเดินก็คืออ่าสมมติเขาหยุดแล้ว หยุดแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวประการที่สองก็คือความเคลื่อนไหวของอะไรของลิ้นของคาพูด و إ ذ อ خاطبهم ا ฮ ج ا ه ล و ن ق าลู ا น س ะลามและเมื่อมีบรรดาคนที่โง่เขลาเบาปัญญาอั أ ج ه ل و ูหมายถึงคนที่มาพูดไม่ดีกับเขาคนที่มาทำร้ายเขาคนที่มาด่าทอเขา เขาจะตอบกลับว่าอย่างไงกอลูสัลลัมะพวกเขาคนที่เป็นอิบารุรห์มานี่จะตอบกลับไปว่าสัลลัมสลมสลมตอบกลับด้วยคําว่าสลลมหมายความว่าอย่างไงกอลูสัลลัมะตรงนี้มีความว่าอย่างไงนักศึกษานักวิชาการอธิบายออกมาเนี่ยสรุปคร่าวๆออกมาเป็นสามลักษณะอันดับแรก คำว่าซลามาตรงนี้หมายถึงอัตเซน ล, ลุมคำพูดที่เหมือนเป็นการบอกว่าฉันกับฉันกับเธอขอไม่ยุ่งเกี่ยวกันอัตเซ ล, ลุมก็คือขอโอเคเธอจะพูดร้ายกับฉันโอเคฉันฉันไม่ขอยุ่งกับเธอก็คือจากไปโดยที่ไม่ได้ตอบโต้กลับทะเลาะต่อ หรือเล่นแรงเขาหมัดมาเราก็หมัดไปอีกรอบหนึ่งอ่านี้ไม่ใช่แซและมาแซละมัก็คือปลอดภัยมาจากคำว่าปลอดภัยนะเขาเล่นแรงมาถ้าเราเล่นตอบไปเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แซละมาล ะ, ละแซลมาก็คือโอเคฉันไม่เอาด้วยถ้าเธอจะทะเลาะก็ทะเลาะคนเดียวไม่เอาด้วยไม่ทะเลาะด้วยอันนี้คือความหมายที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยยากูล ย่ an, ูลขีตับันหรือยกูลคําลามสเดาดันกํลามันยดฟะห์บิริสกนวลีพูดด้วยคําพูดที่สุภาพแพยายามพูดออกไปผลักคําพูดหรือการกระทําอันตําซามของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยคําพูดที่ไม่ก่อให้เกิดแรงประทะอีกรอบหนึ่งเข้ามา ใช้คำพูดที่สุภาพในขณะที่นาบางท่านอธิบายว่ากล่าวสลามเลยใครที่พูดไม่ดีกับเราโอเคซาลาม์อะไรคมแล้วก็ไปง่ายรัว ย, ยาก <laughs> เราไม่ใช่คนประเภทนี้ใช่ไหม ย, ยอมแพ้ไม่ได <laughs> ้แล้วเราจะเป็นอิบาดุรฮ์มานได้อย่างี้ ด่นแรกก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเนี่อัลลอฮุอะลลอฮิอัยบุลคนอาดับเขาจะบอกว่าความผิดพลาดของเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างเนี่ยคนเราเวลาที่จะผิดพลาดเนี่ยหนึ่งเวลาเดินไปเดินมาแล้วอาจจะพลิกเท้าใช่ไหมเท้าพลิกอันนี้ผิดพลาดเพราะการเดินเจ็บหรือบางทีผิดพลาดเพราะลิ้นมันลิ้นมันพลิกผิดพลาดในการพูด สอความผิดพลาดนี่แหละที่เราเจอบ่อยที่สุดบางทีเดินพลาดก็เจ็บบางทีพูดพลาดไปก็เจ็บบางทีพูดพลาดเนี่ยอาจจะเจ็บกว่าเดินพลาดอีกเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้เนี่ยน่าสนใจน่าสนใจที่เป็นคุณลักษณะประการแรกที่ถูกพูดถึงในอายะที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอิบานุรรหมานว่าอัลลอฮ วะเนี่ยเราจะทำยังไงดีเรื่องเดินนี่ผมว่าไม่เท่าไหร่แต่เรื่องพูดเนี่ยมันทำยากเหลือเกินรู้ทั้งรู้แต่บางทีเราก็ยังอยากที่จะเอาไว้ไม่ได้วะอัสสลามุอะลัยฮุตุวิลยจะทำยังไงอย่าว่าแต่คนธรรมดาธรรมดามาคนระดับจริงๆแล้วมันจะมีอายัดอีกอายัดหนึ่งใน ส, รรสู้เราตกลก็ส์ที่อัลลอกล่าพูดถึง เวลาที่เราจะโต้อตอบกับชาวคัมภีรชาวคัมภีรนะเป็นคนที่รู้เรื่องคัมภีรรู้เรื่องบางทีรู้เรื่องศางง ส, สนาของเราดีกว่าเราเราู้ของเราเองนะเอาแต่เาพูดถึงยังไงนะพูดถึงเวลาที่ وإذا سمعوا وعرضوا وقالوا لنا أعمالنا و ม ك م أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ชาวคําภีรนะเวลาที่เวลาที่ทพวกเขาเจอกับคําพูดที่ไร้สาระเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยก็รู้และนาอัมมาลงนะเรามีอามั้ของเราเวลาคุมอามา้งคุกตัวเองก็เราผิดชอบอามั้ของตัวเองสาลามันอะไรกูซาลาหพูดสัส้นๆว่าซลาหมันอะไรกูเราเล่นแบบตะรินจ اه ิลีเราไม่ขอยุ่งกับพวกจ اه ิลคือ <laughs> ถ้าอีกฝ่ายหนึ่ง เวลาจะสมมุตินะเราลองสมมติเหตุการณ์ว่าเกิดวันดีคืนดีมีคนมาทะเลาะกับเราถ้าคนนั้นเป็นคนญา h e l เนี่ยเรากล่าวซลาหมูนอาไลกลมแล้วเขาไม่หยุดเขาอะไรแสดงว่าเขาเป็นคนญ a h e l จริงๆก็สมควรแล้วที่เราจะกล่า ว, ว่าซาลาหมูนอาไลกลมแล้วเราก็เดินไปมันไม่สมควรที่เราจะลดตัวไปทะเลาะกับคนญา h e l อะถูกต้องไหมแต่ถ้าสมมุติเราให้บอก ถ้าเขาเป็นคนที่มีความรู้แล้วเราก็พูดกับเขาว่าแซลลอมอนอะไรกลุ่ ม, มถ้าเขาเป็นคนที่รู้เนี่ยเขาจะหยุดเลยเพราะเขารู้แล้วว่าเรากำลังบอกกับเขาว่าเฮ้ยมึงเป็นคนจะเห็นนะสซลลอมออะไรกลุ่ ม, มถ้าเขาเป็นคนรู้เรื่องเนี่ยเขาจะหยุดทัทนทีเพราะฉะนั้นทั้งสองกรณีเนี่ยมีข้อ ด, ดีทั้งหมดเลยการใช้คำพูดที่ดีในการในการโต้อตอบกับคนที่มา พูดไม่ดีกับเราเนี่ยให้มันเป็นข้อดีทั้งสองแบบเลยกับคนที่ไม่รู้โอเคมันก็สมควรที่เราจะพูดกับเขาอย่างนั้นก็จบไปกับคนที่รู้แต่บางทีก็มันจะทะเลาะกับเราแล้วเราก็บอกว่าเสแล้วม ah ูอาเล็กุมแลนับตากิลจายลี่เขาก็จะได้หยุดถ้าเขาไม่หยุดแสดงว่าเขาก็เป็นยาเห็จริงๆ <laughs> เห็นไหมโมชาบะนี่ไอ้สูตรนี้นี่มันไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนในชีวิตของเราเนี่ยหอ <laughs> ทุกวันนี้เราทะเลาะกันอาชลลาทั้งนอกจอในจอเยอะแยะไปหมดอสัสลามุขุลลาห์อะตบิลตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุปอนี้นี่ถามว่าเราทะเลาะกี่ครั้งละเคยใช้สูตรนี้สักครั้งไหมอะถ้ายังไม่เคยใช้ก่อนตายขอให้ใช้สักครั้งหนึง่งให้ให้มันอยู่ในคุณลักษณะของอิบราฮิมานอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีนะ โอ้ยอดไม่ไหวอาจารย์อดไม่ไห ว, า จ, ารไไหวจริงๆขอสักครั้งในชีวิตก็แล้วกันผมว่าไม่แน่นะลองสักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจแล้วจะได้ใช้ไปตลอดชีวิตลองดูลองเลยครั้งหน้าถ้ามีใครจะมาทะเลาะกับเราด้วยใช้สูตรนี้เลยแล้วเนียนให้ดีว่าฉันจะขอใช้สูตรอิบาดุรฮ์มาคือการต้องปะทะกับคน jahel คนที่ไม่รู้เรื่องคนที่จะมาทะเลาะกับเราเนี่ย บางทีมันเลี่ยงไม่ได้หรอกชีวิตนี้นะชายตอนเองก็พยายามทำระทงานของมันให้คนมันทะเลาะกันมันพยายามที่จะทำให้เราเนี่ยต้องปะทะกันอยู่แล้วชายตอนมันไม่อยู่เฉยหรอกมันเป็นงานถนัดของมันแต่ถ้าเรารู้ทันอ่าถ้าชายตอนเล่นงานเราแบบนี้พยายามจะให้เราทะเลาะกับพี่น้องเราแบบนี้ เ, เราจะรับหน้ายังไงเราจะใช้สูตรอะไรในการไปทาลายอุบายของชตอน สั้นไหมสาลามถ้าไม่อยากว่าสาลามอะไรก็พูดไปคำเดียวสาลามสาลามสาลามแล้วก็ไปจบน้าเย็ยนใช้น้ำเย็ยนราดไฟที่ชชยตอนพยายามจะทำให้มันลุกลรงอ๋อว่ารู้สึกว่าอธิบายไม่ยากนะแต่เวลาจะไปลองทำเนี่ยพี่น้องต้องไปลองเองต้องไปลองเองว่าจะใช้ยังไงนะลองดูนะว่าทะเลาะกับใครปุ๊บ ต้องใช้สูตรนี้ดูซลามแล้วก็หยุดแค่นั้นพอถ้าเขาเป็นคนโง่ก็ให้มันโง่ไปตรงนั้นแหละถ้าเขาเป็นคนฉลาดเขาจะหยุดเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเราก็เนียนให้ดีว่าเราต้องการที่จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นบาวของอัลลอฮ์บ ب า ا า ه และ ت ع ا ل ที่ได้ชื่อว่ า, นะ า, าอิบาดุลรอห์มานนะอัลฮัมดุลิลลาห์มาซาลลอฮ์อ่ามายัที่สองน่าจะทนอยู่นะ وال ذ ي ن يبيتون لربهم س ج د ا وقياما الله أكبر น nah. .وال ذ ي ن يبيتون لربهم س ج د ا وقياما. เลบ ند าคนที่ยบีตูน่ะยบีตูนหมายถึงใช้ชีวิตในเวลากลางคืน ไม่ได้แปลว่านอนจะนอนหรือไม่นอนใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในเวลากลางคืนเนี่ยเราเรียกว่า ย, บยาบียบีดมีชีวิตอยู่ในเวลากลางคืนบ้าแตยาบีตุนะครับไอ้บ้าทุรักมม น, นใช้ชีวิตในเวลากลางคืนเนี่ยถ้าสมมุติว่าอายัดแรกเนี่ยอาจจะเป็นกลางวันก็ได้เนะาะยัมชูนอลลาลอัลเดินไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยก็คือชีวิตกลางวัน ไปเจอผู้คนต้องใช้คำพูดในการสื่อสารกับคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลากลางวันเวลากลางวันมีคุณลักษณะแบบหนึง่งพอเวลากลางคืนกลางวันปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์โดยการเดินโดยการพูดกลางคืนปฏิสัมพันธ์กับใครกลางคืนปฏิสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ซุลฮานุวะซาลายะบีทูนลรอบบิฮิมใช้ชีวิตกลางคืน ให้กับพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขายังไงสุจเดนวะกิยะมาด้วยการสุยูดให้เยอะด้วยการยืนนั่นก็คือการละหมาดนั่นเองมอัลลอฮฺอธิบายต่อไหมรู้สึกท้อแล้วเกิน <laughs> พอถึงตรงนี้เรารู้สึกท้อแล้วเกินเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยอัสซดีบอกว่าอย่างไง อาลีมัมุสสักรีบะวะยุคซรูน f r o ิ صلاة الليل م خ ل ص บ ن ف ิ ه ม لربهم م ล ذ ل ي ل ي ن له พวกเขามีความอมีการทําอิบัตด้วยการละหมาดอย่างมากในช่วงเวลากลางคืนสุดยดันก็คือสุญูดมากแล้วด้วยการด้วยการสุญูดโดยหน้าผากของพวกเขา เขียมันก็คือช่วงเวลาที่พวกเขายืนนะครับในละหมาดนั่นเองพูดง่ายๆก็คือใช้ชีวิตกลางคืนด้วยการทํำอิบัตดะต่ออัลลอฮ์สุลตางฮะวะจัลละอย่าอัลลอฮ์เห็นไหมมันเกี่ยวไหมกับอายะ ต, ตอนแรกที่เราตละลาพูดถึงกลางวันแล้วก็กลางคืนนี่คือกลางคืนที่มีคุณภาพของคนคุณภาพคนที่มีคุณภาพเขาใช้กลางคืนอย่างมีคุณภาพ ข้อนี้เนี่ยรอเวลาที่เรามาทบทวนตัวเองแล้วเราไม่รู้จะให้คะแนเ น, นเราอย่างไงเดีย๋ยวบอกไปแล้วตอนแรกเราก็บอกไปแล้วว่าคนในยุคเราปัจจุบันเนี่ยกลางคืนกับกลางวันแทบจะไม่แตกต่างไม่ค่อยได้รับบทเรียนเท่าไหร่จากกลางคืนพอตกกลางคืนมันก็ยังเหมือนกลางวันอยู่อะ่ะไฟยังสว่างอยู่ร้านรวงก็ยังเปิดอยู่24ชั่วโมงร้านยังเปิดอยู่ เมื่อก่อนนี้ยังไม่เคยมีร้าน24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้มีร้าน 24, 24ชั่วโมงสมัยก่อนมีแต่เซเว่นนะ24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้มีเกือบทุกอย่างแล้ว24ชั่วโมงร้านกาแฟ24ชั่วโมงยังมีเลย <c oughs> ร้านซักผ้า24ชั่วโมงก็ยังมีตอนนี้อเหนื่อยเลยที่นี่พ <laughs> ระเ้ากระลอกเพราะฉะนั้นข้อ น, นี้เนี่ยต้องต้องพยายามหน่อยอิชะอัลลอฮ์นะครับช่วยกัน ช่วยกันฝึกฝนตัวเองทำยังไงดีช่วยกันปรับนะช่วยบอกตัวเองช่วยบอกเพื่อนช่วยบอกทำยังไงให้เราสามารถปรับชีวิตของเราให้เป็นไปตามนาฬิกาชีวิตที่อัลลอฮฺสุลตานจะละประธานมาเป็นของขวัญให้กับเรานะครับด้วยการใช้ชีวิตกลางคืนแบ่งส่วนหนึ่งในชีวิตกลางคืนของเราเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะถ้าพี่น้องถามว่า การกียามุลไลเนี่ยมันมีวิธีการอะไรยังไงอยากจะให้กลับไปย้อนหลังฟัง تفسير สุรุตุลมุซัมมิลนะครับเราเคย ت ซ س ي ر สุรุตุลมุซัมมิลอไว้นานมากและทั้งหมดมีอยู่ประมาณถ้าจําไม่ผิดน่าจะมีอยู่ประมาณ4ตอนด้วยกันนะครับว่ากียามุลไลในชริอัดในสุนนะของท่านนาบีสุลตัลลอฮฺอะลัยอัลซัลลัมเป็นยังไงบ้างมากที่สุดเท่าไหร่ กลางๆเท่าไรแล้วน้อยที่สุดเท่าไรนะครับขอให้มีส่วนอย่างน้อยที่สุดตื่นขึ้นมามาข อ, อกล่าวอิสติฟารตออัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮอันนี้ทุกคนควรจะต้องกลับไปปรับนะตารางชีวิตของตัวเองลนะพวกเราทุกคนลองลองตั้งใจให้ดีนะครับว่าอิอัลลอฮ์ฉันอยากจะเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในรอบบีฮิมสักหน่อยหนึ่ง Sujud a n w a q i y a mah. a c a mah a i lengkap, m e n k a p p e n d a h Sahabah, pendah Nabi. Nah, melengkapkan Nabi, melengkap Sahabah, melengkap pendah Asalihin, dalam zaman Asalafus Salih. Tapi yang nanti, kita masih perlu menghafal. Kita masih perlu menghafal. Kita masih perlu menghafal. Kita masih perlu menghafal. Kita masih perlu menghafal. Kita masih perlu m e n g k e e l Kita i g a f l a h u a k i a masih i t a a s u m e n g i m e n k a p e a l a p a f m a a f l a h k e n a h n a h ทุกวันนี้ลองคิดดูว่าแต่ละวันแต่ละคืนของเราเราใช้ทําอะไรบ้างอันนี้ขอฝากไปยังคนที่ใช้เวลากลางคืนนะครับเยอะๆนะทํายังไงให้มันบาลานซ์ให้มันบาลานซ์กันเรารู้แหละนะครับว่ากลางคืนของเราเนี่ยมีกิจกรรมให้ทําเยอะมีทั้งความบันเทิงมีทั้งกีฬามีทั้งโอเคเราไม่ได้บอกมันไม่มีประโยชน์นะครับ แต่จริงๆแล้วประโยชน์ที่อัลลอฮฺสุบานแต่และสร้างกลางคืนมาประโยชน์จริงๆของมันคืออะไรให้เรารู้ด้วยประโยชน์หลักของกลางคืนคืออะไรประโยชน์รองของมันคืออะไรอิชอัลลอฮ์นะครับช่วยกันพูดกันบ่อยๆได้นะเพราะว่าสิ่งล่อรวงสิ่งยั่วยวนต่างๆที่ทําให้เราเผลอไผลใช้เวลาในกลางคืนไม่ตรงตามจุดประสงค์ของมันนี่มันมีมากเหลือเกิน والعياظ بالله من ذلك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على أ ن ك ن ك و ن من عبادك الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً yang diyeam إ ش ب ح ا ن ه و ت ع ل ى นะครับวันนี้คงจะพอเป็นแค่นี้ก่อนนะครับสอายัดที่พูดถึงคุณลักษณะของอิบราฮิมนซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ท้าทายเรามากนะครับ การที่เราจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคมแต่มีความนอบน้อมเห็นภาพเนี่ยก็เห็นแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความนอบน้อมเป็นคนที่มีความสุภาพในมุมมองของลองสุภานาะแต่ละเป็นคนที่ระวังคำพูดเป็นคนที่รู้จักใช้คำพูดที่ดีไม่ว่าจะเป็นกับคนที่พูดดีด้วยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วและรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้คาพูดไม่ดีกับเราเราจะใช้คพูดที่ดีกับเขาได้อย่างไร คนที่ใช้กลางคืนให้มีประโยชน์มากที่สุดในการเข้าถึงพระผู้อภิบาลของพวกเขามาดูกันนะครับว่านอกจากเขาจะใช้ชีวิตกลางคืนด้วยอิบาดะตอเลาะส์วาตาลาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยยังมีดูอาสําหรับใช้ในเวลากลางคืนด้วยดูานั้นเป็นอย่างไรเราจะได้เรียนกันต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับในอายะห์ทัดไป ب อ ذ ن الله سبحانه وتعالى والله تعالى علم وفقنا الله إياه لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى ด ل ه و صحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركات